ก่อนเริ่มเรื่องวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2524รัฐ 2, ทิที่มีทิพย์ลอย่างยิ่งในประเทศจีนก็คือรัฐิของท่านขงจือกับท่านเหลาจือท่านขงจือท่านดึงคนให้เข้ามาอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมประเพณีและพิธีกรรมเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขชั่วนิรัน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 ท่านเหลียวฝานเป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจและเข้าถึงคําสอนของพระบรมศาสดาท่านจึงนิพน์หนังสือนี้อันเป็นประสบการณ์ของท่านเองเพื่อชี้ให้ลูกท่านเห็นว่าชีวิตที่อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมกด็ดีหรือจะหลุดจากขอบข่ายทั้งมวลในสังคมกด็ดีล้วนแต่เกิดจากเจตนารมของตนเองทั้งสิน้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลิกิตของฟ้าดินชะตาชีวิต ไม่ใช่ข้อชี้ขาดที่จะแก้ไขไม่ได้จะดีจะชั่วไม่ใช่ฟ้าดินจะบันดาลให้โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลตัวเราเองต่างหากเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองบุตุชนมักมองชีวิตว่าถูกลิขิตมาแล้วแน่นอนก่อนเกิดสิอีกความจนความรวยความสูงสักความต่ำต้อยความบุญมั่นขวัญยืนหรือไม่ล้วนเกิดจากผลแห่งกรรม อันเป็นการกระทำด้วยเจตนาที่ดีบ้างชั่วบ้างที่ตนเองได้สร้างสมไว้แต่ชาตินี้หรือชาติปางก่อนวิบากย่อมส่งผลของชาติที่แล้วมาบ้างที่ย้อนขึ้นไปหลา ย, ลายชาติบ้างทัศนคติที่มีต่อกลัมเช่นนี้แม้จะถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขียนหนังสือนี้เพื่อสั่งสอนอบรมบุตรของท่าน ต่อมาท่านเห็นควรพิมพ์แจกเป็นธรรมทานหนังสือนี้จึงแพร่หลายมาจนทุกวันนี้คำว่าพ่อในหนังสือนี้จึงหมายถึงท่านเหลียวฝา น, นั่นเอง